ออเนะวันนี้เราก็ <c oughs> เราตั้งใจกันว่าจะมาปฏิบัติตั้งแต่เช้าออกลัวเราที่จะแหวกมาถึงเวลาจุดนี้ได้เนะี่ยดโมงสสบห้าสมสิบหนาทีแล้วก็มีการเตรียมใจเตรียมกายกันแต่เช้าก็เรามาแพลนมาตั้งใจกันไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้าง เพื่อที่จะจะเดินตามตารางเวลาได้ได้ครบตามจํานวน <c oughs> แต่เบื้องต้นนี้เร า, เาว่ามีการรักษาศีลโดยที่ไม่ต้องรับศีนศีลนะของนักปฏิบัติเอาแค่ว่าบางข้อที่จําเป็นเท่านั้นเช่นข้อหนึ่งเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วในการเบียดเบียนทุนเองในการคา ด, ดเองไม่ทําในการลักขโมยเราก็ไม่ได้ทําในการ ละมอดสิทธิของกนและกันอันนี้ก็ต้องมีอยู่นะแล้วก็ข้อ4นี่ก็สำคัญข้อ 4, ี่ข้อวันนี้รักษาศี่สักสามข้อก็พอสามสี้นี่ก็คือในข้อที่3มา่ได้ประพฤติผิดในกลาวหรอกแต่ว่าเราแต่ละคนมีสิทธิที่จะปฏิบัติวันนี้นะมีสิทธิหน้าที่ที่ปฏิบัติ เราก็จะไม่ละเมิดล่วงเกินในสิทธิของกันและกันคือไม่เสียเวลาของกันและกันเช่นว่าเกี่ยวข้องกับ ข, ข้อที่สี่ข้อที่สี่ไม่มีใครพูดปูดพูดสเสียดพูดคําหยาบแน่นอนมาที่นะแต่ข้อสุดท้ายนี่สำคัญคือเราพูดโดยลืมลืมคิดมันก็ออกมาแบบเพ้อเจอ้อเพราะนั้นวันนี้ก็สมมุติว่าเป็นวันที่เรา ปรารถนาว่าไอ้วัดเราจะเงียบสักวันได้ไหมวันนี้ไม่มีใครพูดเลยนะอืเงียบมากวันนี้เอฟเหมือนไม่มีคนอยู่วัดเลยนะแต่เข้ามาคนเต็มวัดเลยเนะี่ยช่วยกันสร้างบรรยากาศนี้ได้ไหมช่วยกันเนะาะแต่ข้อศินข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนี่สำคัญมันจะถ้าไปผิดสินข้อนั้นนะได้บรรยากาศไม่เงียบนะคือคุยกันเรื่อยเผยไปเรื่อยไม่มาจบเพราะนั้นสินข้อสี่ ลองว่าวันนี้คนเข้ามาในวัดใม่แปลกใจไม่กล้ากระดิกเลยว่าคนอยู่กันยังไงไม่พูดกันเลยเนี่ยเป็นอะไรไปเนี่ยเอคิดไปแต่หารู้ไมมว่าเราตั้งใจมาภาวนาเนเราก็จะตามภาษาโบราณว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาเสียบ้างปิดปากเสียบ้างเราทำใจให้ว่างจากความคิดปิดหูซ้ายขวาปิดตาเสียบ้างปิดปากเสียปิดปากเสียปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้าง ทำใจว่างจากความคิดนี่นั่นนี่คือภาวนาบทภาวนามีแค่นี้นะดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยขอบอกก่อนว่าเราจะสําหรับผู้ที่ได้เคยภาวนาแบบเคลื่อนไหวมาแล้วเนี่ยหลังจากที่อาจารย์มาเลยลุงพ่อได้พูดจบเราก็จะแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้แลวจะโดยจากใครก็ต่างล้วก็จะแยกไปอีกที่หนึ่ง สำหรับอีกกลุ่มนึงก็คนที่ยังไม่เคยเลยนะยังไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยว่าอะไรเป็นอะไรก็จะภาวนาอยู่ที่นี่อีกที่หนึ่งทั้งนี้เพื่อที่จะให้คนที่เคยทำมาแล้วก็จะทำต่อไปเลยคนที่ยังไม่ได้ทำก็จะเริ่มต้นใหม่อย่างอย่างถูกต้องว่องนั้นเถอนะอันนี้คือประการที่สองประการที่แรกประรเรื่องศีลว่าศีลข้อสี่เป็นเรื่องสาสงสคัญศีลข้อห้ายิ่งสาคัญไปอีกว่าเราไม่ได้เสพสิ่งเสพติดมืนเมา แต่ว่าในศี่ข้อ5้านี่มันมีคําว่าสุราหนึ่งสุราสองเมรยะสประมาทสุราเมระยะมัตชะสี่มัตชะสี่ประมาท ะ, ะมีอยู่4ความหมายสุราเมระยะไม่มีมัตชะประมาทะมัตชะการสุบูลีกินเหล้าเมากัญชาน้ำชากาแฟเฮโรอีนเราไม่มีอยู่แล้วมัชชะเนี่ยก็เป็นประมาทะ ก็คือไม่ประมาทและไม่ขาดสติเพราะนั้นสินข้อห้าคือไม่ขาดสติคืซึ่งสัมพันธ์กับสินข้อสีเมื่อไม่ขาดสติแล้วเราก็จะไม่หลงไม่เผลอไม่เผลอคิดไม่โผพูดถ้าคิดข้างในมันก็จะพูดมาช้างนอกได้ถ้าเราไม่ไม่ประมาทจิตทำจิตให้ว่างอยู่เสมอเราก็จะไม่เผลอออกมาข้างนอกเพราะนั้นข้อสี่ห้อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะ นั้นอันนี้เรื่องของศีลเรื่องของต่อมาก็คือการแยกกลุ่มเพื่อให้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทำต่อไปเลยผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ศึกษาแล้วปฏิบัติร่วมกันไปนี่เรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สีเราอยากจะให้จำกัดพื้นที่เนื่องจากพื้นที่เราแคบเมื่อพื้นที่เราแคบแล้วนี่เราก็จะใช้อย่างประหยดัด คือหมายความว่าถ้าเราจะเดินสวนกันลุกไปตรงนั้นอย่างไปนี้ตามปกติเนี่ยมันก็จะไม่สงบเราจะทําอย่างไรที่เคลื่อนไหวอย่างจํากัดนะเราภาวนาซึ่งจ ะ, ะทวนกระแสค่อนข้างแรงหนึ่งเพราะที่เราไม่กว้างเมื่อที่เราไม่กว้างเราก็ใช้สมมติว่าหนึ่งคนมีมีตารางมีพื้นที่หนึ่งตารางเมตรเราจะเคลื่อนไหวได้หนึ่งตารางเมตรอย่างนี้นะฮะเราก็จะเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ในนั้นเพราะว่า วิธีการที่นำเสนอในวันนี้เป็นวิธีการที่ไม่นั่งหลับตาแต่ใช้วิธีการเคลื่อนไหวเพราะเห็นใดจึงใช้วิธีการอันนี้ตรงนี้ขอลาดับเรื่องอารมณ์กรมรมฐานสักนิดหนึ่งเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในขณะนั่งตรงนี้โยมสังเกตเห็นตัวเองไหมว่าโยมมีความรู้สึกกี่อาการด้วยกันขณะนี้ อาการที่ปรากฏในกายในใจของโยมเนี่ยรวมแล้วมีกี่อาการพอเราสวดมาที่ขีสามสิบสองอาการเนี่ยนะตั้งแต่เกสาโรมาณค า, าทันตาเนี่ยเราจะนึกถึงทั้งสามสิบสองอาการเนี่ยไม่ได้แต่ในสามสามสิบสองอาการเนี่ยรวมแล้วมันเหลือเพียงสองอาการบอกใบ้ไว้ก่อนรู้สึกมีสองอาการในตัวเราตรงนี้นะมีอาการอะไรบ้างโยมตานึกออกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ไ ม, ไม่ใช่ไม่คิดไม่คิดเอาละขณะนี้นั่งรู้สึกไงส บ, สบายหนึ่งละอาการสบายสองอาการไม่สบายมีไหม ม, มีนั่งหนักมาตั้งนานตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วมันหนักที่แต่พภกหนักที่เอียบมีอยู่ใช่ไหมเ <c oughs> ย็นร้อนอ่อนแข็งเข้มตึง <c oughs> ในร่างกายมีไหมร <c oughs> วมแล้วมีสองอาการอาการสบายและไม่สบาย <c oughs> ทีนี้เราก็บอกไม่ได้ว่า คนไหนสบายใจคน жить, pesos, ไหนไม่สบายใจคนไหนสบายกายคนนันไม่สบายกายความไม่สบายกายและความสบายกายมีอยู่ความสบายใจและความไม่สบายใจก็มีอยู่รวมเหลือแค่เนี้อย่างละสองนะสาองเนี่ยรวมแล้วมันเหลือแค่สองคือสบายและไม่สบายนะหายใจเป็นไงสบายไหมหายใจลึกสบายหายใจตื้นสบายไหมไม่สบายนั่งอ่า เวลาไม่กระดิกเลยไม่สบายนะได้ขยับปรับเปลี่ยนทีหน่อยก็สบายใช่ไหมอันนี้ก็ให้สารวจตรงนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นถ้าจะถามว่าความสบายและความไม่สบายเนี่ยเกิดมาจากอะไรเบื้องต้นเนี่ยต้องสอบกันไปเลยความสบายและความไม่สบายที่เราสัมผัสได้เนี่ย <c oughs> เกิดมาจากอะไรฮะควรู้สึก เกิดจากความรู้สึกความรู้สึกอันนั้นมันมาจากอะไรมาจากมาจากทางใจอ่ทําไมไปปรากฏที่ใจเลยทั้งที่มันปวดขาเนี่ยอ่ามันเกิดมาจากว่าร่างกายของเราอยู่นิ่งๆได้ไหมนั่นแสดงเกิดจากการอะไรการเคลื่อนไหวลมหายใจหยุดนิ่งได้ไหมเข้าแล้วไม่ออกออกไม่เข้าได้ไหมไม่ได้ อพับแล้วลืมลืมเราไม่พับเราก็ไม่ลืมให้มันอยู่อย่างไดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นร่างกายทั้งหมดความสบายไม่สบายมาจากอ า, าการที่เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของอะไรไม่เที่ยงการเกิดจักอนิจจ์ใช่ไหมเป็นลักษณะของอนิจจงคือเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงนี่อันนี้คือเจ้าของเดิมแท้เขาคือ ว่ามไม่เทียงสองเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนลงไปสู่ความสบายหรือไม่สบายทั้งสองอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วมันเปลี่ยนแปลงของมันเองเนี่ยทํานําไปสู่ความไม่สบายแต่พอเราเปลี่ยนแปลงตั้งใจเปลี่ยนแปลงมันสบายมาตการเปลี่ยนแปลงมีสองอย่างคือรู้พื้นฐานว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ระยะสองถ้ามันเปลี่ยนแปลงของมันเองนําไปสู่ความไม่สบายใช่ไหม ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตั้งใจเปลี่ยนแปลงมันนําไปสู่ความสบายอ่าต้องเบื้องต้นเข้าใจตรงกันก่อนทีนี้เมื่อเรารู้สึกสบายเพราะการขยับปรับเปลี่ยนเรื่อยๆถามว่าในขยัขณะที่เราขยับปรับเปลี่ยนเนี่ยมีสองลักษณะหนึ่งลักษณะที่เราตั้งใจเปลี่ยนสองเราไม่ตั้งใจเปลี่ยนเวลารู้สึกไม่สบายเราก็ปรับ ส่วนใหญ่แล้วเราจะปรับเอาความไม่สบายออกด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอย่าไปตอบทันทีไปเลยนัคิดนิดหนึ่งนะเพราะฉันไม่สบายัี่ก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมก็ไปเลยพับตานี่ตั้งใจพับไหมหายใจเข้าออกนี่ได้ตั้งใจไหมไม่ได้นั่นเห็นไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงและส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ตรงนี้เองเป็นเหตุที่ไปที่มาของความไม่สบายอันที่สองคือความไม่สบายใจและความสบายใจถามว่าเราเปลี่ยนเองก็ดีตั้งใจเปลี่ยนก็ดีความสบายกายเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไผมสุดหนักขาเนี่ยมาเปลี่ยนปั๊บมันก็สบายแล้วมาตั้งใจเปลี่ยนก็สบายเหมือนกันแต่ความสบายสองอย่างเนี่ยระหว่างความสบายที่เกิดเพราะคำตั้งใจและความสบายที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจเนี่ยอันไหนเป็นเหตุ ของทุกข์อนไรเป็นเหตุหือการเกิดทุกข์นั้นเป็นเหตุดับทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อ่ะลึกเข้าไปล้นะถ้าเราตั้งใจเปลี่ยนตั้งใจเปลี่ยนเอาทุกข์นั้นออกไปเนี่ยเราตั้งใจนะตรงนี้เป็นเหตุเกิดหรือเหตุดับเหตุดับทุกข์เพราะว่าเราจะเกิดตัวรู้ใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนด้วยความไม่ตั้งใจเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ เพราะความไม่ตั้งใจนั้นมันจะได้สั่งสมความไม่รู้เรื่องโมหะโมหะแปลว่าเปลี่ยนด้วยความไม่รู้หรืออวิชชาแต่ตั้งใจนี่เกิดจากความรู้ใช่ไหมเราก็สบายแต่เราได้ความรู้ด้วยหาก็รู้สึกเบาสบายด้วยอันนี้คือที่เราจะเรียนกันวันนี้ให้ให้ศึกษาจุดนี้ก่อนเพราะอันนี้เราอยู่กับบันาตั้งแต่เกิดแต่เราก็ไม่เคยมาดูมันจริงๆอย่างจังว่ามันเป็นเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้สั่งสมตัวตั้งใจนี้มาตั้งแต่แรกตลอดเวลาเนี่ยชีวิตเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยความไม่ตั้งใจเราเรียกว่าความเคยชินบ้างสัญชตาตญาณบ้างโดยอัตโนมัติบ้างโดยธรรมชาติบ้างมันก็เลยสั่งสมตัวไม่รู้ซึ่งเราเรียกว่าอาวิชาอาวิชานี่เป็นเหตุเบื้องต้นเลยใช่ไหแล้วใครเป็นผู้สั่งสมให้เราเร า, เราเป็นผู้สั่งสมเอง เรารู้วมั้ยว่าเราได้สั่งสมมันไ ม, ไม่รู้นั่นเรียกว่าวิชาแล้วก็พ่อแม่ของเรา <c oughs> ปู่ย่าตายายขึ้นไปร้อยพันคนที่เป็นบรรพบุรุษเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเราเขาถึงเกิดเรามาเนี่ยและเราก็จะเกิดต่อไปอีกถ้าเราไม่รู้มันวันนี้นะฮะทั้นั้นเรามารู้จักวันนี้และสิ่งนี้ที่เราจะต้องไม่ต้องเกิดอีกมากมายอย่างที่เกิดมาแล้วนะเพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าท่านตัดสืรู้มาอย่างนั้นไม่ใช่มามาว่าเอาเองนะพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วเขาก็บอกอ๋อมารู้เลยว่าตัวเหตุเกิดทุทกข์ทั้งหลายทั้งปวงยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงก็มาจับตัวไม่รู้ในเองเขาเรียกว่าอ่ะอวิชชาอวิชชา่อยเกิดสังขารสังขารก่อวิญญาณไปเรื่อยๆทุกคนรู้จักดีในเรื่องปฏิจจสม บ, บัติพระลำดับให้ฟังบ่อยนั้นถ้าหากว่าเราจะแก้ไขตัวหัวขบวนในเครือวิชาเราจะแก้ไขอ ย, อย่างไร ทำตัวอวิชาให้เป็นอะไรเ ป, เป็นวิชาเสียตรงนั่นเองเท่านั้นเองแต่การที่จะเปลี่ยนตัวที่ทําด้วยอะไรด้วยความไม่รู้สึกเปลี่ยนนะฮะรยทําอะไรด้วยความรู้สึกแค่นั้นแต่เป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากยากยากแต่ทําได้ใช่ไหมนั่นหมายความต้องมีการฝึกฝนต้องมีการทําบ่อยๆนะอะไรก็ตามถ้าหากเรา เรียนหนังสือเหมือนกันนะถ้าไม่ขยันเขียนขยันเรียนขยันอ่านแล้วเรียนอ่านออกไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้เวลาเฉพาะอ่านออกเขียนได้เราก็ใช้เวลาตั้งหลายปีแล้วอันนี้เรื่องข้างนอกแม้วิธีการธรรมหายกินกลัวเราจะธรรมหายกินได้แล้วก็ใช้เวลาฝึกเรียนเขียนอ่านเข้าเรียนตั้งแต่ปฐมมัธยมไฮสคูลมหาวิไลปริญาตรีทั่วเอกมากลัวเราจะมีวิชาธรรมหายกินได้แต่นั้นวิชาภายนอกวิชาภายนอกก็เลี้ยงกายแต่วิชาภายในเลี้ยงจิต นะวิชาภายนอกเลี้ยงกายเท่านั้นแต่เราเลี้ยงกายอย่างอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านหมดทุกได้ไหมไม่ได้ไได้งนั้นวิชาทั้งนอกเขาก็จะให้เกิดความอยู่ได้ข้างนอกแต่ว่าจิตใจอยู่ไม่ได้เพราะคนร่ํารวยขนาดไหนก็ยังจิตใจเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ร่ารวยกว่าเราคนมนุษย์ในสมัยนี้อีกท่านก็ยัง เป็นทุกข์อยู่ท่านก็ออกหาออกแสวงหาว่าเออเกิดเป็นมนุษยชาติหนึ่งเราแค่จะมาเสวยความสุขแก่ข้างเดียวคือทางกายเท่านั้นหรือแต่ความสุขอีกด้านหนึ่งท่าทางจีใจอะ่ะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นสละท่านก็เลยสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยลูกเมียร า, าชบัณฑ์รังประเทศชาติเพื่อมาแสวงหาสิ่งนี้ในที่สุดท่านก็พบพอท่านพบแล้วท่านก็มาบอกเราเราก็สิ้นท้อจากท่านมาเป็นเวลาสามพันกว่าปีล้นะตั้งแต่ท่านแตสรู้มาเกือบสามพันปี เราก็มาถึงวันนี้ถามว่าความรู้ที่พุทธเจ้ารู้เรื่องนี้มามันหมดไปไหมมันจืดจางไปไหมมันแผลกเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปไหมไม่ยังชัดเจนเหมือนเดิมเหมือนพระองค์ยังอยู่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือมันก็จะมีทั้งสองอย่างไอ้ที่แผลกเพี้ยนไปก็เยอะที่มันยังตรงเพ่งชัดเจนอยู่ก็มากเราก็มาเลือกเอาในส่วนนี้ดังนั้นสิ่งไหนที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าความไม่รู้ความาไม่เท่าทันความไม่ตั้งใจความ รู้เท่าทันตัวเองมันไม่มีมาก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มหรือมีมาแต่มันไม่พอที่จะไปจัดการกับตัวทุกข์ข้างไหนได้นะดังนั้นวันนี้เราก็มาเริ่มนะดังนั้นในที่นี้ใครบ้างที่ยังไม่เคยยกมือสร้างเยาวะมาเลยยกมือขึ้นใหมล่ล้วนเลยนะยกมือไม่ต้องอายหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดคนนะดังนั้นคือยกมาแล้วเนาะ เคยยกมานานแล้วเคยยกมานานแล้วแต่ยกขึ้นรึเปล่ายกมือขึ้นไหวนี่นะยกเป็นจังหวะนี่นะเคยไปเข้าคอดปฏิบัติห้าวันเจ็ดวันสิบวันที่ไหนบ้างไม่เคยนะท่านอาจารย์ที่วัดธรรมลงธรรมลังแล้วจะออกอยู่ยงก็เปอ๋อเลยไปยกตอนนั้นใช่ไหยกตอนนั้นถือว่าใหม่อยู่ถือว่าเป็นคนใหม่ คำว่ายกในที่หมายของคนนั้นเคยยกตั้งแต่หนึ่งวันสองวันสาวันขึ้นไปเป็นวันวเลยนะเออนั้นเสียว่ายกเป็นแล้วแต่ถ้ายกชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถือว่ายังไม่เปลี่ยนยกใหม่เออได้ดังนั้นในเบื้องต้นทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายจิตใจของเราอย่างรู้สึกตัวเพราะนั้นเรามาฝึกเรื่องเดียวมาฝึกความรู้สึกตัวก็พอ เมื่อเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิชาเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยเราเคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยนับไม่ท้วนเลยใช่ไหมไม่รู้กี่ล้านครั้งต่อวันตั้งแต่หัวจุดเท้าแต่เราได้เคยเข้าไปรู้ในการเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างตั้งใจสักครึ่งชั่วโมงสักหนึ่งชั่วโมงไหมรู้การเคลื่อนไหวจริงๆต่อหนึ่งจริงๆแทบจะจำไม่ได้เลยใช่ไหมอ่านี่แหละ เราขัดตัวบพค่องตรงนั้นเราจะมาฝึกตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเรื่องเดียวพอไม่เอาหลายเรื่องเพราะเวลามันสั้นเนาะถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องเดียวนี้ได้โยมไปทำต่อที่บ้านเท่าไหร่ก็ได้โยมยาวโดยทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนก็มีปัญหาแต่ขอให้เข้าใจเพราะในพุทธศาสนาเน้นที่ความเข้าใจให้ถูกแล้วเอาไปทำเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วเอาไปทำนี่ไม่ยากแต่ที่แล้วมาเราไม่เข้าใจเอาไปทำไม่ถูกต้อง มันถึงได้ยืดยาวมาขนาดนี้ถามว่าเรามีความสุขตลอดไหมไม่มีเรามีความสุขอย่างเดียวไมมไม่ไมีเรามีความทุกข์อย่างเดียวไหมมันก็สลับกันสลับสุขบ้างทุกบ้างถามว่าถ้าบกโลกุณหา ร, ระหว่างสุขกับทุกข์ในชีวิตของเราที่ผ่านมาอันไหนมันมากกว่านี้ตอบยากหรือตอบง่ายมันมาแต่ภูมิของมันนะคนไหนมาจากภูมิอายภูมิจะทุกข์มากกว่าคนไหนมาจาก มนุษสภูมิทุกครึ่งหนึ่งสุกครึ่งหนึ่งคนไหนมาจากเทวภูมิสุขมากกว่าทุกคนไหนมาจากพรหมภูมิสุขแทบจะไม่ใช่มันสงบไม่ใช่สุกนะมันสงบมากกว่าไม่สงบแต่คนไหนมาจากอาริยภูมิเนี่ยไม่เอาทั้งสองอย่างเลยไม่ทั้งสุขไม่ทั้งทุกนะท่งนั้นก็จะมีอย่างนั้นเราจะบอกว่าสุข คนเราสุขมากกว่าแล้วแต่มาจากภูมิไหนที่เราก่อนที่จะมาเกิดนี่นะทุกคนมีที่มาใช่ไหมไม่ใช่ลอยมาเกิดบางคนมาจากเปรตบางคนจากสุรกายบางคนมาจากสรันกานิชานบางคนเป็นมนุษย์อ่าชั้นสูงเป็นมนุษย์ชั้นกลางคนเป็นมนุษย์ชั้นต่ําบางคนเป็นเทวดาชั้นต่ำบางคนเป็นเทวดาชั้นกลางคนเทวดาชั้นสูงบางคนเป็นพรหมชั้นต่ำบางคนพรหมชั้นกลางพรหมชั้นสูงมันมีคลาทั้งมันอยู่เราที่เรื่องมาจากชั้นไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม ดูแต่ว่าตัวสุขตัวทุกข์กระบ่งเราบ่งบอกเราว่าเรามาจากชั้นไหนนะฮะนั้นเราพอประเมินได้โยมบางคนบอกตัวเองได้ตลอดชีวิตเพื่อนท่านมีความทุกข์ความสุขมากกว่าความทุกข์บางคนบอกได้เลยนะบางคนก็บอกได้เลย ว, ว่าฉันมีพอๆกันระหว่างสุขกับทุกข์บางคนว่าฉันทุกข์มากกว่าสุขบางคนฉันก็ค่อย ทุกอะไรเลยถ้ามีความสุขเป็นส่วนใหญ่ก็มีใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีนี่คือตัวชี้วัดว่าเราเคยเป็นอะไรมาในอดีตคือตัวมาวัดตัวสุขที่ตัวสุขเกิดจากอะไรกำลังจะเจาะไปสู่แหล่งของมันแล้วเนี่ยตัวสุขเกิดจากอะไรตัวทุกเกิดจากอะไระความสุขเกิดจากความสบายความสบายอะไรก่อน ควสบายกายก่อนใช่ไหมแล้วไปสู่ความสบายใจและความสบายใจก็เปลี่ยนมาเป็นความสุขใจทีนี้ความทุกข์เกิดจากอะไรความไม่สบายกายความไม่สบายกายก็นําไปสู่ความไม่สบายใจก็ก่อไปเกิดความทุกข์ใจใช่ไหมทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยทั้งที่สบายไม่สบายถ้าเราไปยึดเอาความสบายเป็นของเราเราก็จะแสวงหาแต่ความสบายแสวงหาความสุขแต่ว่าความไม่สบายนั้ไม่มีเคยยึดหรอกใช่ไหม แต่เราก็แสวงหาแต่ความสบายต่างคนก็ต่างยึดความสบายดั้งต้องการความสบายไม่มีใครต้องการความไม่สบายแต่ว่าเราพบความสบายหรือความไม่สบายเป็นส่วนใหญ่ทั้งสองอย่างความสบายก็มีความไม่สบายก็มีแต่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยอันไหนมันมากกว่าความไม่สบายมากกว่าเพราะว่ากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของของสามอย่างใช่ไหมที่ว่าหนึ่งที่ตั้งของการ เปลี่ยนแปลงสองเป็นที่ตั้งของความแปรปรวนความทุกข์สามเป็นที่ตั้งของความแตกดับอนิจจังทุกขังขอันตาเป็นที่ตั้งสามอย่างนี้เท่านั้นนะอันไหนที่เป็นลูกเมื่อเป็นที่ตั้งทั้งสามอย่างเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันเหลือสองแล้วทํำยังไงให้มันเหลือหนึ่งรู้ว่ามีสามอย่างเราจะให้มันเหลือหนึ่งเนี่ยคนจะเหลืออะไรคนจะเหลือสุข คนจะเลือทุกหรือคนจะเหลือการเกิดดับรวมสามอย่างให้มันเลือหนึ่งได้ไหม <Okay. S 1> ก่อนที่จะเลือหนึ่งให้มันเลือสองก่อนระ้ว่าอันนี้จังทุกขังนาตาเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันเหลือสองได้ไหม mm hmm. เลืออะไรเออันนี้เป็นเบสิกที่สุดสำหรับความรู้ชาวพุทธนะไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะ mm hmm. ถ้าจะทาอันนี้จังนุกขังนาตามันมีสามใช่ไหม mm hmm. <c oughs> จะทำให้มันเลืสองได้ไม คนจะเหลืออะไรหนึ่งละอน้าตาหน้าตาทุกไม่ต้องการใช่ไหมทุกขังไม่เอาอันนี้เห็นไหมอ่าในเมื่อเราไม่ต้องการมันน่ะแต่มันต้องการเราอ่ะจะทําไงนั่งเนี่ยเราไม่ต้องการจะให้มันจ็บมันปวดใช่ไหมแต่มันก็มาล่ะเราปฏิเสธมันได้ไหมไม่ได้นี่เราไม่ต้องการมันมาแต่ถ้ารวมทั้งสองอย่างเนี่ย ถ้าความเปลี่ยนแปลงนะถ้าความเปลี่ยนแปลงคืออ น, นิจจังเนี่ยมันปล่อยไปเรื่อยๆ currently. โดยที่เราไม่เปลี่ยนแปลงมันนะปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงมันไดไปเองเนี่ยมันจะไปถึงที่ไหนเรานั่งอย่างเนี้ยเอายมนั่งท่าเดิเลยไม่ต้องเปลี่ยนท่าเลยในที่สุดมันจะไปถึงที่ไหนทุกขังใช่ไ้มทุกขังที่มันเป็นอยู่มันเป็นของเก่าหรือของใหม่ รวมกกัันนเออเอาให้ดีทุกขณะเนี้ยตอนแรกเราลงตั้งแต่นั่งตองแรกเนี่ยเราทุกไหมไม่ทุกแสดงว่าความสบายหายไปใช่ไหมตอนแรกๆความทุกนิดๆใช่ไหมก่อนที่จะมาหนักความที่ทุกนิดๆมันหายไปความทุกหนักๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าทุกก็เกิดดับในตัวของมันทุกเก่าหมดไปทุกใหม่เข้ามาทุกเบาหายไปทุกหนักเข้ามาทุกหนักหายไปทุกหนักยิ่งกว่าเข้ามา แล้วก็ดับไปดับไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรานั่งได้ทั้งวันโดยที่ไม่ทุกข์เลยได้ไหมไม่ยากได้เอาให้ตอบให้ดีให้คิดหน่อยได้โยมนั่งมาตลอดชีวิตยังนั่งได้เลยเดีย๋ยวว่าแต่วันเดียวแต่โยมอยู่ได้เพราะโยมเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงไไอ่าก็อย่าลืมสูตรเบ้างต้นเปลี่ยนมีสองลักษณะหนึ่งเปลี่ยนแบบตั้งใจสองเปลี่ยนแบบไ ม, ไ, ไม่ตั้งใจนะน่ ะ, น ะ, น ะ, นะอย่าลืมสูตรอ่ เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ถามเมื่อกี้ว่าระหว่างเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของเราท่านน้นเป็นท่านี้เนี่ยด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจในอันไหนมากกว่าไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยมากกว่านั่นแหละเป็นที่มาของความไม่สบายใจเพราะเราไม่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเราตั้งใจเปลี่ยนแล้วเราจะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งความสบายกายและความสบายใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนด้วยความไม่ตั้งใจเราได้ข้างเดียวคือได้ความสบายกายแต่ได้ความไม่สบายใจ พิกไปพิกมาเนี่ยข้างในมันสบายตลอดไหมไม่สบายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวลมคาญเดียเด๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวหงุดหงิดใช่ไหมสลับกันอยูอย่างนี้ทั้งที่ร่างกายสบายนะแต่ข้างใจข้างในไม่สบายแล้วนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นความสบายของร่างกายมันไม่ได้หมายความว่าจิตใจจะสบายด้วยทั้งที่ร่างกายก็ไม่หนัก ไ, ไม่หน่วงอะไรแต่ทุกสึก ม, มูนีลมคาญขุ่งวเส้าหมองมีอยู่ใช่ไหมบางครั้งแต่ถ้าหากว่าเราไม่ให้มีทั้งสองอย่างได้ แต่ต้องตั้งใจเปลี่ยนตั้งใจดูการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปไปตั้งใจเปลี่ยนอยู่ในขณะที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงถ้ามีสติเข้าไปรับรู้มันจะดับโดยไวโดยที่ทุกขังไม่เกิดหมายความว่าทุกขังไม่เกิดทางจิตคือความหงุดหงิด ความหมุนมัวความฟุ้งซ่านความลำคาญความเบื่อมันจะไม่เกิดเพราะว่าเราจํากัดไอตัวการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่กายเพราะเรามีสติตามรู้อยู่เพราะนั้นไอตัวรู้ตัวสติตามรู้ตัวนี้เองเราจําเป็นจะต้องสร้างเยอะๆเพื่อให้มันมีกําลังที่สร้างเยอะๆไม่ใช่ว่าให้มีมากนะแต่ให้มันมีกําลังเหมือนเราฝึกอ กีฬบางอย่างเดี๋ยวทำบ่อยมากเลยเดี๋ยวไปซ้อมกีฬาเดี๋ยวไปซ้อมกีฬาทําเพื่อให้มันเยอะหรือทำเพื่อให้มันมันแม่นยําหรือมันไวทําให้มันคล่องใช่ไหมฉันวิ่งเยอะๆนะฉันจะได้มาเยอะๆไม่ใช่จริ่งวิ่งคล่องเท่าไหร่วิ่งเข้มขแข็งขึ้นยิ่งรวดเร็วขึ้นใช่ไหม ย, ยิ่งเขียนหนังสือคล่องเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้มแข็ ง, ข, งขึ้นรวดเร็วขึ้นกีฬาทุกอย่างต้องการความรวดเร็วความแม่นยําความเข้มแข็งฉันใด การฝึกจิตก็เหมือนกันที่เราทําเยอะๆเนี่ยต้องการความแม่นยํำต้องการความเร็วเร็วต้องการความเข้มแข็งของสติปัญญาเมื่อสติปัญญามันเข้มแข็งมันรวดเร็วมันก็จะทันจิตเมื่อทันจิตเมื่อทุกมาถึงจิตมันก็ออกทันทีเพราะมันไปทันกันแต่ทุกทางกายเราเห็นชัดใช่ไหมเราเห็นชัดเราออกได้โดยการพลิกเปลี่ยนเท่านั้นเองปวดขามาตั้งนานพอพลิกเปลี่ยนปั๊บมันหายไปทันทีเลยแต่มันก็หายเฉพาะกาย ถ้าเราไม่ตามรู้มันไอตัวสบายกายและความไม่สบายกายจะไปสร้างความสบายใจและความไม่สบายใจทั้งสองส่วนถ้าสร้างความสบายใจมันก็จะถ้าไม่ตามรู้มันต่อไปตามรู้มันไปเรื่อยๆนะแล้วความสบายแล้วเป็นไงสบายนานๆแล้วก็เพลินใช่เพลินแล้วก็เป็นไงง่วงง่วงแล้วก็ไปเลยทั้งนไปสู่นิวรณกิเลสต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องนี้วิธีบริหาร อนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะบริหารอนิจจังเป็นอนิจจังจะกลายมาเป็นศีลบริหารทุกขังเป็นทุกขังจะมาสร้างสมาธิบริหารอนัตตาเป็นอนัตตาจะมาสร้างปัญญาโดยใช้คีตัวเดียวคือสติเพราะนั้นถึงจะมาสร้างสติเพื่อเปลี่ยนไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิขา เปลี่ยนใจรัื่ อ, อนที่จังทุกขนาฏตาให้เป็นใจสี่ขาคือศีลสมิธปัญญาใช่ไหมตามหลักของที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาบอกเราต้องทําจุดนั้นให้ได้ถ้าทําจุดนั้นไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะเรียนไปล้นฟ้าลน้าลนพอดีคุณจะท่องพระไตรปิฎกจบกี่หมื่นกี่พันรอบก็จับจุดนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณทําจุดนี้เปลี่ยนจุดนี้ได้พระไตรปิฎกคุณไม่ต้องไปอ่านไม่ได้ตัวเดียวคุณก็ดับทุกข์ได้เพราะอันนี้เพราะก่อนพุทธเจ้าแต่สรู้ท่านมีพระไตรปิฎกมากก่อนู้นหรือเปล่า อ๋อท่านตลอดชีวิตของท่านก็ไม่มีพระไตรปิฎกใช่ไหมพระไตรปิฎกถูกเขียนขึ้นหลังจากท่านปฏิพันธ์แล้วกี่ปีรู้ไหมสี่ร้อยห้าสิบปี ถ, ถูกได้เขียนขึ้นนั้นตลอดเวลาตั้งแต่ชีวิตของท่านแตสรู้อายุสี่ห้าปีมา่อแปดสิปีก็ยังไม่เกิดจากแปดสิบฏิพันธ์จนเมื่อสี่ส้อห้าิก็ยังไม่เกิดมาเกิดเราหลังสี่รอยห้าสิปีการสังขยาณาครั้งที่สามถึงได้เขียนขึ้นไงนอกนั้นจํากันมาอย่างนั้นจําต่อๆกันมาดังนั้นเราก็ใช้ หลักฐานเป็นบางส่วนเพราะหลักฐานเพื่อมาเขียนขึ้นทีหลังแต่หลักฐานเกิดจากตัวบุคคลที่เล่าสืบทอดกันมาเนี่ยมีมาตลอดตั้งแต่สมัยท่านตรัสรู้นะเพราะนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องฝึกฝนเรื่องนี้และในขณะฝึกฝนเรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นอันนี้จะบอกเป็นระยะๆไปเราจะไม่บอกกันก่อนให้ไปประสบเอาเองไหวไหม ไหวนะเอางั้นต่อจากนี้ไปเราจะแยกกลุ่มละเว <c oughs> <c oughs> ลาจํากัดนั่นนี่ว่าชี้แงครึ่งชั่วโมงพอมีเวลาจํากัดนะจากนี้ไปอีกสองชั่วโมงนะเอาคนที่เคยเคลื่อนไหวมาแล้วรู้ขึ้นอ่าคนที่เคยเคลื่อนไหวมาแล้ววันก็ดีสองวันสามวันสี่วันห้าวันก็ดีอ่าลูกขึ้นคุณสมพรปลาไปปฏิบัติอยู่ห้องนั้ น, นห้องด้านนั้ น, นด้านนี้คงจะเป็นห้องครัวห้องนั่งทานข้าวก็คงจะคนจะรบกวนเนาะไปด้านนี้ดีกว่าเนาะ อาจารคุณสุพรไปมันพรพาไปปฏิบัตินะไม่ได้พาไปคุยกั น, นม <c oughs> ไม่ได้พาไปนั่งคุยกันนะเป็นแยกนั่งปฏิบัติคนเล่าจุดเละาจุดอ้าวสำหรับนักเรียนใหม่ขยับขึ้นสําสหรับคนที่เคยปฏิเด็ิมาแล้วหนึ่งวันสองวันสาวัน4 ว, วันนะัดอางสุพรไปเอาเอาเรียนใหม่ข้างหลังอนั่งตรงนั้นก็ไดส้สองวันนี่นานแล้วยังไม่สองวันตอนนี้นะ ตอนที่หลวงพ่อมาที่วัดธรรมราอ๋อน่นเนะสร้งางจีบเป็นเดินจงกรมเป็นใช่ไหมเป็นเอ่อเป็นเอาไปกลุ่มนั้นอ๋อเป็นเไม่คล่องเลยเเป็นไม่คล่องแสดงว่ายังไม่ถึงวันเ <c oughs> อา <c oughs> นั่งนั่งเอาเรียบร้อยแล้วอันนี้กลุ่มใหม่นะขยับก็อีเข้ามาหน่อยได้ไหมเอามาไม่อยากจะใช้เสียงดังอ่าขยับเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเราจะขยับคื้นได้ อ่าเอาละอะขาแค่นั้นพอนั่งเข้ามาเพื่ออะไรจะได้เห็นชัดๆว่าเราทํำยังไงนะตรงนั้นก็ได้ทีนี้การเคลื่อนไหวมีสงแบบอย่างที่กล่าวมาคือการเคลื่อนไหวแบบรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าชนิดของการเคลื่อนไหวในตัวของเรามีปีนร้อยอย่างพันอย่างตั้งแต่ภาพตาอปาปากหายใจเร็วใช้ไเล่วขวา่ากลมเงยหยิบหยับจับเฉ ย, ยเคลื่อนไหวได้หมด แต่ทีนี้เราจะตามรู้เคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องมีการเริ่มต้นถ้าสมมติว่าจู่ๆเอาโยมไปตามรู้การเคลื่อนไหวจะทํำได้เคลื่อนไหวเนี่ยสอนกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วถามว่ายมทําได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ว่าบอกกันวันนี้นะก็ออให้มีสติตามรู้การเคลื่อนไหวกันไปกันมานะเราก็อ่านหนังสือกันมาหลายเรื่มงใช่ไหมแต่เราก็ยังทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความเคยชินที่มันครอบงําชีวิตเรามาเนี่ย มันแรงกว่ามันมาก่อนเพราะจะอะไรปะมือมันไปก่อนพราะนึกได้มันเอาของมาเรียบร้อยแล้วอะไอ้ตอนที่นึกแล้วก็เริ่มจับมือไปแล้วก็เริ่มจับเนี่ยมันไม่ทันจุดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาตั้งใจเพื่อที่จะเคลื่อนไหวให้ทันหมายความว่ารู้มันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมันไปจับเอาสิ่งนั้นมาคือถ้ามันจับได้มาแล้วก็จะเธอดังมันเอาไปวางเอาของนั้นมาไหนซี มันไปก่อนได้ใช่ไหมมันไวมากอะ่ะเพราะมันเป็นชีวิตของเราเลยความเคยชินแบบไม่รู้เนี่ยถามว่าได้สิ่งนั้นมาไม่ได้พลิกเปลี่ยนโดยความไม่รู้ดัวได้ความสบายได้แต่ใจไม่ได้คือใจไม่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นถ้าเรารู้วิชานี้ตั้งแต่แรกที่เราอายุน้อยๆนะปัตต น, นีเราก็ยังไม่ได้ทุกเราก็สบายไปตั้งนานแล้วเอามามารู้เรื่องนี้อายุเข้าสามสิบเข้าสามสิบฝาแล้ว มารู้เรื่องนี้จนถึงปัจจุบันนี้สามสิบกว่าปีส5สิบหปีแล้วลังจากรู้เรื่องนี้มารู้เรื่องนี้อายุสสิบดียวนี้สามถอดใจมาสามสบห้าปีแล้วไม่ทุกเลยแล้วก็บอกเรื่องนี้มาตลอดอันนี้คือหน้าที่เรื่องอื่นไม่ทำเรื่องพัฒนาเรื่องอบรมเรื่องสั่งสอนเรื่องสอนหนังสือไม่เอาแต่มาชี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะเราได้รับความสบายเพราะเรื่องนี้นะทีนี้ วิธีที่จะให้เกิดสติเพื่อตามรู้การเคลื่อนไหวได้ทุกขณะเนี่ยมันมีหลายวิธีวิธีที่ทำแบบ เ, เพ่งหรือตั้งใจให้มันเป็นไปเนี่ยเขาเรียกว่าสมาถะวิธีที่จะปรับให้มันไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเรียกว่าวิปัสนาะถ้ามาตั้งใจมากๆนะจับหนอโยกหนอเนี่ยมาหนอ ดื่มหนอนความตั้งใจมากๆเพ่งๆนี่เรียกว่าสมถะคือตั้งใจเป็นเป็นอันเดียวแต่ถ้าหากว่าเอา้าดื่มก็ดื่มก็คือยกมาให้รู้ตัวแล้วก็ดื่มแล้วก็วางอย่างรู้สึกตัวเท่านั้นเองโดยที่ไม่เพ่งไม่ตั้งจนผิดปกตินะเหมือนปกติทุกอย่างแต่รู้ไปในตัวตรงนี้เป็นวิปัสนาที่มาเรียนมาทั้งสองระบบนะหนอ ก, ก็ทํามาพู้โทรก็ทํามานับลมหายใจก็ทํามา แต่ปรากฏว่ามันไม่ทะลุหากันมันได้แต่กายแต่ใจมันยังทุกขเหมือนเดิมคือหมายความว่าทันกายนะทันกายทั้งหมดแต่ไม่ทันใจคือใจบางทีเราทําอยู่ที่ใจมันคิดไปที่ไหนไม่รู้บางที่นั่งสวดมนต์อยู่จิตไปคิดอยู่ที่ไหนไม่รู้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเคยไหมไปได้นั่งสวดมนต์แต่ก็สวดได้นะแต่กระใจลอยไปอีกที่หนึ่งนั่นหมายความว่าเอาใจไม่อยู่ สมุท tha เอาใจไม่อยู่แต่บางครั้งจะบใให้สงบได้ชั่วคราวแต่เอาไม่อยู่ในที่สุดก็เลยมาทำวิปัสนาพอมาทำวิปัสนาปับ๊บอาจารย์หลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นอาจารย์ธรรมาท่านก็บอกว่าไม่ต้องหลับตาเราไม่ต้องนั่งนิ่งๆล้วไม่ต้องเคลื่อนไหวช้าๆเคลื่อนไหวทุกอย่างตามปกติแต่ใส่ตัวรู้ลงไปแล้วตัวรู้นี่ผมจะมาจากไหนก็ต้องมาสร้าง นั่นคือที่ไปที่มาว่าทำไมต้องยกมือที่ยกมือคื อ, คอสร้างตัวรู้เท่านั้นเองและสร้างแบบไม่ต้องเพ่งนะสร้างแบบสบายๆลองลองทำพร้อมกันนะ